ก็ยังไม่เข้าใจกันเลยถ้าเข้าใจในาอวัตปฏริโมกท่านสอนว่าอย่างไรนั่นแลคือองค์ศีลองคธรรมแท้ท่านแสดงย่อเอาแต่ใจกว่าว่าการไม่ทําบาตทั้งปวงหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมหนึ่งการชําระจิตของตนให้ผองแผ้วหนึ่งนี่แลเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่ทําบาปถ้าทางกายไม่ทําแต่ทางวาจาก็ทําอยู่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 และเปิดเผยไม่ปิดบงังลี้ลับอะไรเลยในวันนั้นแต่จะไม่ขออธิบายเพราะเคยอธิบายและเขียนลงบ้างแล้วขณะนั้นผู้ฟังทั้งหลายนั่งเงียบเหมือนหัวต่อตลอดการไม่มีเสียงอะไรรบกวนทำที่ท่านกําลังแสดงอย่างเป็นที่เลยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพู้ถวนองผู้ที่วัชเดียหลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการนี้เทศซ้ําเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศถวนองนี้อีกแล้วก็จบลง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 ขอแต่ท่านแสดงความประสงค์จะเอาอะไรด้วยในตัวของเราจะไม่มีคําว่าเสียดายชีวิตเลยจะมีแต่คำว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะพลีชีพทุกขณะเท่านั้นไม่มีคําเป็นอุปสรรคขามาแฝงได้อย่างเด็ดขาดแต่สุดวิสัยแม้จะขอถวายอะไรท่านก็ไม่อาจรับได้เพราะในโลกธาตนี้ต้องเดินสายทางเดียวกันไม่มีทางเลี่และออกจากคาว่าเกิดแล้วต้องตายจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลย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 รากับถูกวางยาสลบให้ง่วงงุนวกเวียนอยู่ที่นั้นหนีไปไหนไม่ได้บางท่านเป็นลมเราจะสลบลมลงสิ้นใจไปพร้อมกับขณะท่านสิ้นลมเหมือนอะไรอะไรก็สิ้นสุดไปตามท่านเสียสิน้นเวลานั้นเกิดความโกลาหลโอนละมานแบบไม่มีใครช่วยใครได้อย่างลึกซึ้ในสมาคมมหาวิโยคพลัดพรากในยามดึกสงัดต่างองต่างหุ่ม ง, ง่ามหลบคลัไปตามความเสือส้อมทราลืมสติสตัง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 เพื่อสราบจำนนพระเนนที่มาในงานนี้เวลานิมนต์ในกิจธุระจะได้ถูกกับชื่อและฉายาของพระเนนองนั้ น, น, นการบินทบาทของท่านในงานนี้นอกจากวันงานท่านไปตามหมู่บ้านต่างๆแถวนั้นและไปในเมืองวันงานคณะสถาทั้งหลายอนาณาธนนิมนต์ท่านรับบินทบาทตามบริเวณงานนอกวัดบ้างในวัดบ้างหลายแห่งที่สถ า, าเตรนไซบาทท่านงานนี้ท่านทาพิธีเปิดมีกาหนดสามคืนกับ4ี่วัน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 ครูเสกปุ้นวายสับสนพอดูในช่งคมแห่งความวิโยคพกแพกจากไปแห่งท่านผู้มีบุญหนาเมตารามหาสมุทรสุดขอบเขตไม่มีประมาณบรรดาลูกศิสรศบริวารต่าง ร, องร้องไห้ด้วยความอาลัยเสียดายเพราะครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในการพแพกจากร่างกายหายสูญความสมุทรที่เคยก่อพบก่อชาติพาให้ไดนาว่าเกิดแก่เจ็บตายต่ อ, อกันเป็นสายยาวเหย็ดไม่มีเบื้งองต้นเบื้องปลาย